พิกผู้ต้องอบัตนั้นน่ะเป็นผู้มีความสําคัญว่าไม่มีอันตรายในอันตรายสิบนี้นะครับไม่มีอันตรายแล้วก็ปิดไว้นะสําคัญว่าไม่มีอันตรายในอันตรายสิบนี้แล้วปิดไว้เป็นอันปิดคือไ ม, ไม่มีอันตรายคือมันยังไม่เห็นนะนะยังไม่เห็นใช่ไหมครัแต่ทําในใจว่ า, วามันไม่มีอันตรายแล้วก็ปิดไว้คือไม่มีความพยายามแล้วเพราะเพราะทําความสําคัญว่ามีอนันตะรายสําคัญว่าไม่มีอันตรายในอันตรายสิบนี่แล้วปิดไว้เป็นอันปิดไม่มีอันตราย คือมันยังไม่เห็นอะนะยังไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ทําในใจมันไม่มีอันตรายแล้วก็ปิดไว้คือไม่มีความเป็ยามแล้วเพราะเพราะทำความสองคันว่ามีอันตรายจ้ะแล้วก็ปิดไว้ใช่ไหมครับไม่ใช่มันจะมีหรือไม่มีตรงนั้นไม่เป็นประมาณแต่ตัวเองมีความสองคันว่ามันไม่มีอันตรายนะครับอันตรายนั้นจะมีหรือไม่มีตรงนั้นยังไม่เป็นประมาณ แต่ตัวเองทาความสำคัญตัวเองว่าไม่มีอันตรายแล้วก็ปิดเลยหรือไม่มีอันตรายแล้วก็สองแยกปิดแล้ปิดใช่ไหมครับใช่ไมครัปิดเพราะฉะนั้นอาบัตที่ทําอย่างนี้ต้องอย่างนี้เธอชื่อว่าปิดแล้วปิดไว้แล้วบอกปิดแล้วนะครับ mm hmm. ทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าเกิดสิ่งสำคัญสำคัญว่ามีอะไรมีอันตราย เพราะเธอเป็นผู้เป็นผู้ขาดตัวอย่านั้ในในทางมืดก็ดีที่มืดมืดก็ดีกลางคืน ใ, ในที่มืดก็ดีในที่มีเขาเล่าว่าผีดุก็ดีในที่มีสัตว์ร้ายก็ดีอย่างนี้นะสำคัญว่ามีอันตรายแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ก็ไม่คิอว่าเป็นอันตรายเธอต้องแล้วเหมือนกันต้องอบัตรแล้วนะครับต้องอบัตรแล้วแต่มืดอกลัวช่าหายเโอ้ยตรงนี้เพราะว่าผีดุเอาไม่ไปเลยอะไรอย่านี้ไม่กล้าไปโอ้ยตรงนี้มีงูนะตรงนี้มีงูเอาไม่กล้าไปฉันไคิดงูกลัวนะครับอย่างนี้แล้วก็ เมื่อคืนนั้นเลยไม่ได้บอกนะครับเพากลัวที่ไม่ไม่ได้ไปบอกใครนี่เพราะกลัวนะครับกลัวชื่อว่าไม่ได้ปกิดอย่างนี้ชื่อว่าไม่กปิดนะครับการจะปกปิดไม่ปกปิดจะนับเอาในเวลาไหนเป็นเทีนเวาีครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะถึงเดี๋ยวจะมีว่าเธอไม่ได้บอกในเธอต้องในเวลาหลังพัดหลังพัดอะไรอะไไปเรื่อยฮะแล้วก็ไปบอกถ้าก่อนไปถึงได้ เธอคิดปกปิดนะครับคิดปกปิดมาเรื่อยอย่าตั้งแต่เช้าไปเลยครับคิดปกปิดไปเลยพอไปายางสุดท้ายใกล้ๆอารุณ์เกิดความอายเป็นรัชชีธรรมมีรัชชีธรรมเกิดขึ้นในใจเลยอ๋อไม่ได้ไม่บอกไม่ได้ไม่ไไมบอกว่าต้องมาทุกคฎ น, นะไม่บอกไม่ได้เลยบอกนะครับอย่างนี้ก็ไม่เชื่อปกปิดใกล้อารุณแล้วนะครับแต่ถ้าเธอปล่อยให้อารุณผ่านไปแล้วจึงบอกชื่อว่าปกปิดแล้วนะครับต่างกัน <c oughs> อ่าต่อนะครับ มันก็ข้ามกันไม่ข้ามรู้ว่าทางนีอ้อันตรายหรือมี ง, งูมีน้ําท่วมไม่น้ํามาน้ําท่วมอะไรอย่างนี้ต้องข้ามเหวต้องข้ามปลาต้องข้ามอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้ชื่อว่าอันตรายทั้งหมดใช่ไหมครับคือว่าอันตรายถ้าเธอมีความสำคัญว่ามีอันตรายอย่างนี้แล้วไม่แล้วปกติชื่อว่าไม่ปกติแต่มีความสําคัญว่ามันไม่มีอันตรายแล้วปกตินะครับรู้ <S <S คือในที่นี้มีใช้ความสําคัญนะครับความ ไม่ไม่ใช่รู้ลงไปจริงๆใช้ความสําคัญของตัวเองมีมีความสําคัญว่าอะไรเมื่อเหตุเหล่านั้นอ๋ออย่างนี้นะครับน้ำทางทางนั้นมีสัตว์ร้ายทางมีสัตว์ร้ายอย่างนึงครับหูนอนขวางทางในน้ําบ่ามาน้ําบ่ามาในแม่น้ําเดินข้ามไม่ได้อย่างนี้มีเหตุอย่างนี้นะครับมีเหตุอย่างนี้เราเราว่ามาแล้วมันเป็นต้นแล้วนะมีความสําคัญว่ามีอันตรายคือมันเป็นจริงๆ แล้วปิดไว้ก็ไม่คิอว่าปิดอันนี้อันนี้ง่ายนะครับแล้วต่อไปอันตรายสัญญามีความสําคัญในความไม่มีอันตรายว่ามีอันตรายก็ดีหรือความสําคัญว่ามีอันอความสำคัญอันตรายว่าไม่มีอันตรายนะครับตรงกันข้ามนะครับแล้วปิดไว้นะครับไม่คิอว่าปิดนะครับไม่คิอว่าปิดไม่คิอว่าปกติเพราะฉะนั้น เพราะันตรงนี้ในที่นี้สรุปเอาข้อนี้อันตรายในข้อนี้ถ้ามันมีจริงๆแล้วเราเรามีความสองหันเหมือนตรงตรงแบบนั้นรับปิดไว้นะครับชื่อวไม่ปกตินะครับมันมีอันตรายแล้วก็สำคัญว่ามีอันตรายไม่ปกติได้อย่างนี้มันไม่มีอันตรายนะครับแช่ว่าเนี่ยแล้วสำคัญว่ามีอันตรายนะครับเพราะเพราะสมมุติว่าเราเราเราต้องเดินไปผ่านไปน้ำผ่านอะไรอะไรเะไรนะ น้ำไม่ได้หวาอกมาเต็มหรอกแต่มีความสำคัญว่าโอ้น้ําตอนนี้คงเต็มแล้วไปไม่ได้สำคัญอย่างนี้่ครับแล้วไม่ไม่ได้ไปบอกอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นอันผิดนะครับไม่เป็นอันผิดคือสภาพจริงจริงมันยังไม่มีแต่ที่นี่เกิดฝนตกสักหน่อยโอ้ข้างหน้าคงเพราะที่นี่สูงกว่าตรงนู้นําว่ากน่าจะน้ําท่วมอะไรอย่างนี้ครับความสําคัญอย่างนี้นะครับแล้วไม่ไม่ไม่เป็นอันผิดครับนี่นีสัญชาติของผู้กลัวเหมือนกันท่านเอาความกลัวเอาขึ้นมาเป็นประมาณมีความ คือไม่กจะไปผ่านตรงนี้จะไปบอกติ่นู้นนียตรงน้เขาว่าที่ดุเงินกลัวครับไม่กล้าไปนะครับคนเดียวไม่กล้าไปท่านิดอย่างนี้ก็ไม่กลัวปกปิดกันนะครับกลัวแต่ต้องกลัวนะครับไม่ไม่ใช่ว่าสําคัญว่ากลัวไม่ใช่เออไหนไหะครับอย่างนั้นอ่าอีนี้นกลัจริงว่าเ น, นี่ย อ, อ่เออฮึฮึนงูได้่อมาแล้วอืมอ่ต่อไปต่อไป กระหูกระหูะหูนะครับมีความสามารถอันนี้สามารถที่จะไปบอกในสำนักของพิสูจน์นะครับเองทำว่าสามารถเองจะไปบอกพิสูจนั้ น, น, น ม, มีความสำคัญว่ามีมีความสามารถที่จะไปบอกแล้วไม่บอกนะครับแล้วปกปิดไว้ทื่ว่าปกปิดแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าว่าอย่างนี้ปากมีแผลนะครับปากมีแผลก็ดีสีขึ้นก็ดีหรือบางทีเอเ อ, เอตรงนี้ตรงนี้จะคี้จะกี้ อ้ปากไม่ถนัดนะผมเคยเป็นมา่ก่อนนี้เป็นบ่อยหาวไม่ได้เมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้หาได้แล้วผมหาก็ไม่ได้หัวล็อกอ้าปากกว้างก็ไม่ได้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันจะขึ้นมาสองลูกค้างนะแล้วมันหุบก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอามาเอาใหม่นะครับปากนีแผลไม่มาหายเล็กน้อยหรือมีสีขึ้นที่ปากนะครับหรือไอไอ lled, ลมลมตรงนี้มีตะกี้นะครับอ้าปากไม่ถนัดลมเจ็ดแทงค่ะปวดวัน วันนั้นได้อาหารน้อยเกินพี่อย่า ง, างนี้จะอ้างอย่างนี้แล้วว่าไม่มีความสามารถไม่ได้นะครับตรงนี้ ไ, นไอค้คําว่าไม่มีความสามารถหรือหรือมีความสามารถในที่นี้คือไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนี้มีความสามารถในที่นี้คือขาเราเดินไปได้ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ไม่ไม่นอนทมอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าแผลที่ปากก็ต้องจนอ้าปากไม่ได้ไม่ใช่แผลเล็กน้อยหรือฝีขึ้นอย่างนี้ยังพูดใด้ แล้วก็เป็นลมตะคิวตรงนี้เดี๋ยวมันหายพูดได้อยู่อย่างนี้มีดีแล้วมันพูดได้อยู่อย่างนี้ยาอย่างนี้แล้วก็อ่าวันนั้นปวดฟันนิดเดีวนั้นท่นนี้บอกคอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกอ่างอย่างนี้ก็ไม่คิอว่าไม่มีความสามารถในนี้ยังมีความสามารถอยู่แล้วจะบอกว่าอ้วันนี้ไม่ได้อาหารเลยไมีแรงอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกครับไอไม่กีอาหารจนพูดไม่ออกมี่คงไม่ได้ไม่มีนะครับตลาดโอตะนาเนยังพูดได้อ เขาถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับมีแผลปากเล็กน้อยปากมีสีตะเกียวกินทางปวดวันนีอาหาน้อยต้องควรไปบอกนะครับต้องไปนะครับต้องไปบอกจะอ้างอย่างนี้แล้วไม่บอกไม่ได้นะครับอ้างว่าไม่โอ้ยไม่มีความสามารถไปนะโอ้ยเอ๋เรื่องทั้งนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะพูดได้ไม่อาจไม่อาจจะบอกเลยหรือวาจาได้จริงๆโอ้ยไม่สามารถจะไปได้สงสาร ม้างนีงอย่างนี้ไม่ได้นะครอ้างอย่างนี้ไม่ได้ น, นี่อ่านรตรงนี้เกี่ยวกับพวกนี้หมดเลยคออ้างไม่ได้พวกนี้อ่านเกน้ อ, อตรงนี้นคือทำยังไงมันก็ยังปกิดนะครับข้อนี้มีอย่างเดียวคือมันเป็นจริงๆรงนะครับมันไม่มีความสามารถจริงจริงแล้วไม่บอกจริงอเอาเอาเอาสรุปเอาแค่นี้แล้วกัน มันต้องไม่สามารถจริงๆไม่สามารถบอกในปากได้อย่างหนึ่งไม่สามารถบอกด้วยการเดินไปอย่างหนึง่งคือคือมีอันตรายทางขาทางทา ง, ทางปากนะครับสอง่างต้องเป็นจริงๆนะครับต้องเป็นจริงๆแล้วว่าไม่ไปบอกก็เป็นอันว่าปกปิดนะครับแต่ใบขาเทตุกามโมนี่เขาบอกไงแล้วตรงนี้ไม่บอกละต้องแอไม่อธิบายแล้วประสงค์จะปกปิดนีกคือไม่ต้องมีอธิบายกันแล้วแต่ผู้แส่นี้ก็รู้คือมีเจตนาจะปิดนะครับอ่างนู่อ่างนี่แล้วก็มีเจตนาจะปิด นี่มาตรงนี้ว่าฮะยังเดินได้ครับนั่นไปได้ต้องบอรครับนั่นต้องบอกถึงไม่มีไปก็ยังเดินได้อยู่ใช่ไหมครับเดินได้ถ้าตอนที่นอนแล้วมันลุกขึ้นมาไม่ได้มันทํางานไม่ได้ไปไม่ไ ม, ไม่อย่างนั้นได้นะครับอันนั้นได้อันนั้นเป็นจริงๆครับอันนั้นเป็นจริงไม่ใช่อ่อนเฉพาพยาบาลอ่าตรงนี้นะครับ หาภิกษุทำไรภิกษุองค์นึ่ต้องอบัดแล้วครับคิดคิดจะปกปิดนะครมีความคิดจะปกปิดเลยจึงทอดทุระในการบอกนะต้องตอนไหนต้องนุ่นขอนอาหารก็ดีหลังอาหารก็ดีต้องในปฐมพยายามเป็นต้นก็ดีแล้วแล้วทอดทุระไม่บอกต่อต่อมาขาบอยแทนในจสมนิมารีใช้ว่าเธออย่างลงสู่ล้วที่ทําคือเกิดความอายขึ้นใน่จนะครับ เกิดความละอายขึ้นในใจจึงบอกก่อนอารมณ์จะขึ้นนิดนึงอย่างนี้ไม่ชื่อว่าปกปิดนะครับไม่ชื่อไ ม, ไ, มไม่ไม่ชื่อว่าปกชื่อว่าประสงค์จะปิดแต่ไม่ปิดนะครับมีความประสงค์อยากมีเจตนาจะปิดแต่ไม่ปิดเพราะมาใกล้ๆสุดท้ายแล้วโอ้ยละอายนะครับละอาย ก็เลยไอตอนนู้นเพราะถ้าเราจะกล่าวว่าเธอไม่มีความผสงมจะปิดไม่ได้เธอมีความผสงมจะปิดมาเลยนู่นเนี่ยถือว่าต้องก่อนต้องก่อนอาหารเช้ามาโน่นนะครับมีความผสงค์จะปิดมาเรื่อยแล้วครับแต่พอมาใกล้ใก้เวลาจะควรจะหมดเวลายกสุท้ายนี่เกิดลายแล้วบอกเลยตัดสินใจบอกตอนนั้นเลยอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าปกปิดนะครับเดี๋ยวมีข้อสงสัยังสงสัยเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตอนนี้มีใส่มีอื ภิกษุอยู่ในที่ที่ภิกษุต้องอำบัดอยู่ในที่ไม่มีภิกษุคือมีมีมีคนเดียวนะครับมีองค์เดียวก็เลยเลยรอสมมุติอาทิตนี้มีท่านพิจิตอยู่องค์เดียวแล้วแกก็ต้องอำบัดกัวิสติติต้องบำบัดปุ๊บแก <c oughs> ไม่มีใครบอกจะให้บอกเลยก็ก็เลยนั่งรออยู่ที่วัดเนี่ยนั่งรอนอรอทำความัใจรอรอรอการมาของภิกษุอื่นๆนะครับรอนั่งร อ, อนอรออยู่นัะหรือไม่ก็ ไปเหมือนกันไปไปบอกในในในที่จุผู้เป็นสภาผ้ากันเป็นเพื่อนกันใช้เวลาเดินทางไปครึ่งเดือนกันดีเดือนหนึ่งกันดีนะครับไปแต่มานนานนึกเกินมานนานนึกเกินไปอย่างนี้ท่านบอกว่าที่จุนั้นน่ะไม่ชื่อว่าประสงค์จะปิดหรอกไม่ประสงค์จะปิดแต่ปิดอย่างนี้ชื่อว่าปิดที่จุนั้นไม่ประสงค์จะปิดคืออยู่วัดเนี่ยนอลองเยอะ คือใจไม่ได้คิดจะปิด แ, แต่นอนร อ, อ, อเดี๋ยวพระมาจะบอกกัไหนอย่อาวบักอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รอแล้วก็ไปเหมือนกันแต่นูน่ยหวังจะไปบอกกับเพื่อนเราโู้นนี่ยเดินทางไปสิาวันบ้งเดือนนึ่งบง้งเธอไม่ได้คิดจะปิดแต่อย่างนี้ชื่อว่าปิดนะครับขาเ ต, ตินามาชื่อว่าปิดแล้วอันชื่อว่าปกปิ ด, ย อ, ปดย อ, ปอ ย, อายาอาาู่นะครับชื่อว่าปกปิดทีนี้มีคำตอบไหมอีกอัยยมปิดอัานาวโหตินะครับ มฆอาบัตรนั้นก็ชื่อว่าไม่ปกตินั่นเดียวผมเลยงงตรงนี้ผมเขีเยนไผมยังงงอยู่นี่เอาอย่างนี้เอาเอาท่านพิจิตตอยู่ที่นี่เอาเอาเป็นหคนเลยนะครับท่านพิจิตตอยู่ที่นี่องเดียวต้องอาบัดปุ๊บก็ไม่คิดจะปิดหรอกครับแต่ไม่รู้จะบอกกับใครเลยเยลังรอวันรอรอเข้มา อย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วนะครับรอไปพึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งอย่างเนี้ครับอย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งครับมีที่ต้องอยู่ที่เนี่ยองเดียวแล้วก็มีเพื่อนเอาทันรถอยู่โน่นระยะทางไกลๆต้องเดินทางพึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เลยไปดูเนี่ยเดินทางไปโน่นเนี่ยใช้เวลาครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าปกปิดอยู่นะครับขาเท้าผมจะอ่านบาลียังนะขาเทิดุกาโมไม่ประสงค์จะบิดขาเทิดีนามะแต่ชื่อว่าปิดนะ้ ชื่อว่า ป, ปกปิดยู่แต่ไม่ประสมยับปิดนะครับชื่อว่าปกปิดอยู่นี้พูดถึงอาบัติท่านท่านตอไปอีกหนึ่งประโยคอาญปิอัชานาวะโหติเมอาบัตินี้อาบัติของทิศุนั้นนะครับทิศุนั้นชื่อว่าปกปิดนะครับแต่อาบัติเมอาบัตินี้อัชานาวะชื่อว่าไม่ปกปิดนั่นเทียวผมว่า ง, งนผมยังงงเลยฮะนั่นเอง อ้าอวาถ้าอ่าเดียวเดี๋ยวถ้าอย่างของท่านมี้อย่างของท่านความเห็นของท่านมีสิไดรกมันเมือนงตอองครับไม่ใช่ไม่ประสงค์จะปิดแต่แต่ยังไม่ได้บอกยังไม่มี่สุยังครับครับอืเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงจร ยางเาทรออยออจะดินมตอนนั้นยังยังชื่อว่าปิอแต่นี้ว่าบอกแล้วเอามีคนมามีพระมาบอกเลยนั่นนี่นีงงนนนี่เออตอนีวันที่รอเราต้องอยู่ไหมเพราะัน่ว่าปิดไปแล้วเพราะว่าไม่่องที่พที่จะอกองดตอนนั้นจริงจริงว่ายกิอ่ะ อะเหมือนกันเหมือนกันตอนนั้นชื่อว่าปิดอยู่ทีนี้ทีนี้ไอไอทีช่วงที่ปิดอยู่เวลาสึงเวลาเราขอบริวาต้องต้องขอฟื้นไหมไอคือคือเราต้องขอบริวารไหมเออเออมูกจังงนมังงันในช่วงนัต้องนนั่นนี่เพราะว่าไอตอนนั้นถ้ามีผ้าท่านก็จะบอกเออเออเออเออไอคนที่ไันที่เข้ไป ทีน้ว่าตงั้ก็ลากอืมอม้วานในบาีมันมีตัวอย่างครอย่างขยำอาัพแต่ไม่เจอที่บอกไม่เจอ้พอว้ยกว่าจะเจอได้นานยนครับพอไปเจอแล้วก็เลยีบกครับอย่างนี้งไม่ต้องครับครับตลงตรงนี้เอาอย่างนี้นะครับผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมไม่ทำไมต้องใช้คำว่าจิแล้วถ้าใช้คำว่าไม่ิตไม่จิ ก็มันไม่ะสมยับปิดทาไมผู้ออกปิดล่ะผมก็คิดอย่างนี้ก็ไม่ประสมยะบปิดก็นาจะชื่อว่าไม่ปกปิดก็หมดเลยมหาว่าคือไม่ประสมยับปิดแต่เธอชื่อว่าปกปิดแต่อาวัตนั้นคือไม่ได้ปกิดยังยังไม่ได้บอกก็ชื่อว่าไม่ได้บอกตอนนั้นต้องาวัตเลยยังต้น่้ครับ แต่ได้บอกอย่างยังอ <c oughs> uh ่า oh, ง so ั so akers, uh ้นอะอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนกันเหมือนท่านท่านอะไรอย่างนี้ผคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่แต่ความคิดเดียวกลัวเดี๋ยวมันหามีก้อนจังหว ทิจูทชื่อว่าปิดปดอยู่ตอนนั้นเธอชื่อว่าปิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะทิจูนี้เป็นผู้ไม่ประสงค์จะปิดแต่ชื่อว่าปกปิดอยู่จำได้ไหมนะครับแต่อาแม้อาบัตินี้ก็ชื่อว่าไม่ปกปิดนั่นเดียวอาบัตของเธอแต่ตัวเธอตัวเธอเป็นผู้ไม่ประสงค์จะปิด นะครับแต่ชื่อว่าปิดเพราะยังไม่ได้บอกเออคือมันเอาเอาอย่างเงี้ยปิดโดยปริยายแล้วกันไม่ประสงค์จะปิดแต่มันต้องปิดโดยปริยายคือไม่บอกไอคำว่าปิดในที่นี้หมายถึงยังไม่ได้บอกเพราะไม่มีผู้ให้บอกนะครับในในองศิษย์นั่นแหะมันใช่องศิษย์ก็มีศิดก็ไม่เกินอย่างเงี้ยมัน มันมันมันนอกเหนือไม่มันนอกเหนือไม่ไม่ใช่มีในนี่คืออธิบายการการประสงค์จะปิดอ่ะแล้วก็ปกปิดอ่ะคือมันแค่ไหนนั่นนี่เขาไไม่ใช่โมคูนี้มันเอาไปเทียบมันเขาจะบอกมาข้อหนึงก่อนใช่ไหมข้อก่อนนั้นต้องต้องแล้วก็ประสงค์จะปิดมาเรื่อยแต่ใกล้ใกลเวลาแล้วดันบอกอย่างนี้ก็ไม่ปกปิดใช่ไหมครัคือป้องกันให้สงไหนว่าเอ๊แบบที่ท่านามเอ๊ะปิดมันเอาแค่ไหนวะต้องฟุตบอกว่า หรือต้องคุ๊บรอไปก่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้สมมติว่าไอ้ต้องก่ขอนก่อนช้าก่อนช้าแต่ไบอกก่อนอรุณอย่างนี้จะชื่อว่าเราต้องอยู่ไปว่าทดใช้ตั้งแต่ก่อนช้าถึงก่อนลุงอรุณไหมหมายความอย่างนั้นนะครับอันนึ่งยกมาเปรียบเทียบนะครับอา้าวกรนี้ท่านกลัวเราจะไม่เข้าใจไงจึงบอกว่าเธอเกิดความรั บ, รบอกก่อนอรุณเธอจึงชื่อว่าไม่ปกติดเพราะนั้นไม่ต้องอยู่บริวาใช่ไหมครับไม่ต้องอยู่นี่ นี้ท่านก็ยกยกมาเปรียบเทียบกับข้อบนขอ้ขอที่กำลังพูดนี้ข้อที่พระสงค์จะบอกแต่ไม่มีพระให้บอกเนี่ยสิบเอ็สิบห้าวันที่สามสิบวันอะไรเนี่ยนะพระสงค์จะบอกอยู่แต่ไม่มีพระจะบอกคือไม่มีเจตนาจะปิดเลยนะครับแต่อวบัตนั้นยังไม่บอกเพราะไม่มีผู้ให้บอกนะครับท่านใช้คำว่าเธอปกปิดอยู่แต่อวบัตไม่ชื่อว่าปกปิดเลยเพราะนั้นไม่ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ชดใช้อวบัต์ เพาที่เราอยู่ชดใช้ต้องอยู่ชดใช้อาบัดที่เราปกปิดไว้กี่วันกวันวันใช่ไหมครับตอนอยู่รอนี่พี่จะบอกนวายต้องอขว า, ยขวายอยู่เง้นไม่ใช่ไม่ใช่ส บ, บายสบายใช่่ะต้องขวายอยู่เินตอนอยู่รอเนี่ยเหมื อ, อมนกัน นอนบนเตียงเราเนื้อให้ยแม่งนอนสบายว่าเราเราต้องถือขวนขวายไปเยี่ยมอย่างงี้เราลำบากเกือบตายฟ้าต่างกันเลยนิติจะมองเห็นเราโอ้ยยังสบายอยู่เลยกวดเกือบตายอ้าวทาไมคิดคนละอย่างวะเขาบอกว่าถ้าต้องเขาเขาแนะนําเอาไม่ใช่นี่อ้าวพิสูจนึต้องอบัตแล้วครับอต้องอบัตแล้วอ่าต้องเขาบอกว่าต้องต้อตั้งตังอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับพิสูจนต้องอบัตเนี่ย ต้องรีบบอกในในในพิกูจนผู้เป็นสภาค่ากันนะครับคือประพฤติเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกับบุคคลผู้มีผู้ผู้ผู้มีกองไฟบนหัวรีกปัดเร็วๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้พิสูจนั้นทั้งชื่อว่าไม่ประสงค์จะปกปิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ปกปิดด้วยนะครับแต่ถ้าต้องในวันนี้เราก็ไปเจอพิกูจนเหมือนกันไปเจอพิสูจนแต่พิกูจ น, นนั้นท่านเป็นอุปชาอาจารย์เลยอายไว้สมมติอาจารย์พิจิตร ไม่ต้องทงให้เสร็จทุกกาวิสัชิข้อที่หึเลยอ่ะไปเจออุปชาโอ้ยจะบอกอุปชาเอาได้เดี๋ยวอุปชาถามถามึงทำอะไรมาวะอายไว้อย่างนี้อายเไรอ่ะผ่านไปก่อนว่าองคนี้ไปเจอกันอ่ะนี่อาจารย์นีเว้ยผ่านไปก่อนนะอย่างนี้แล้วเลยอารมณ์ขึ้นไปแล้วครับอย่างนี้ว่าบอกปินแล้วละอายก็ดีเพราะฉะนั้นความละอายกันไม่ได้นะครับกันไม่ต้องรีบบอกเลยครับจะเป็นอุปชากดีเป็นอาจารย์กดีไม่เป็นประมาณต้องรีบบอกนะครับ แต่ถ้าพิจุนั้นเป็นสภาพระเหมือนกันแต่เป็นคู่เวรกันไม่ถูกกันเลยเป็นศัตรูกันเลยแหละไม่ควรบอกแม้พิกจุนั้นจะเป็นอุปชาของเราถ้าเราบอกแล้วเขาจะประจานประจานอาบัติของเราให้กับให้ให้กับคนทั่วไปได้ไ ด, ได้รับฟังนะครับได้ได้ยินได้รับทีว่ว่าโอ้เอ็นี้เนาะมันต้องอาบัติเนี่มันเพรามันเพรพฤตตัวอย่างเนี้ยแม้อันนั้นจะเป็นอุปชาเป็นอาจารย์เราก็ไม่ควรบอกนะครับ ไม่ควรบอกควรไปบอกองค์อื่นที่ที่เราไว้ใจแล้วก็กบัตรนั้นถึ ง, ถงแม้ว่าจะคล้ายๆกับบัตถึงแม้ว่าจะปิดไว้เนีครั บ, ค, รบคือถ้าอมีมีพลาดที่จะบอกอยู่แต่พลาดที่จะบอกนั้นไม่สมควรที่จะบอกเป็นคู่เวรเป็นคู่เวรกันครับอย่างนี้ไม่ควรบอกครับไม่ควรบอกคือบอกแล้วเขาจะเอาเอาเอาเอาบัตรของเราไปไปโฆษณาเนี่ยไปประจานไม่ควรบอกพิกจูบเหล่านั้นแล้วนี้มีรูปอื่นมาถึงแม้ว่าอารมจะขึ้นเท่าก็ตามใช่ไหมครับ มีผู้สื่อข่าวอื่นมาทีนี้เราถึงบอกกับพ่อผอข่าวปื่นอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เป็นอันปิดไหนครับ kind of mm. ปิดครับแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชื่อว่าเป็นนันน่ะชื่อว่าเป็นอันปิดแต่ไม่ควรบอกถึงถึงบอกแล้วจะชื่อว่าไม่ปิดแต่ก็ไม่ควรบอกให้มันปิดไปเลยไปเราไปอยู่ปริวัติเอาหมายความอย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันปิดปิดครับเห็นอ๋อยอมยอมต้องยอมให้มันปิดต้องยอมปิดครับตรงนี้ ต้องยอมอาบัตทุกกฎตรงนี้เพราะเขาจะเอาเราเอาเอาเอาบัตรนั้นไปไปโฆษณาไปไปนี่ต้องยอมปกปิดครับตรงนี้นะครับไม่ควรเขาบอกไม่ควรบอกเลยไม่ควรบอกไม่ควรบอกแต่ไม่เชื่อผมครับเพราะไม่ควรบอกเพราะเพราะเวลาเราบอกแล้วไม่ใช่เราเชื่อไม่บอกเชื่อบอกแต่แต่เขาเอาเอาเอาคำบอกของเราอะไปประจานเอาเอาความประพฤติของเราไปประจานอย่างนี้พระเจ้าบอกอย่างนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ อ่าเป็นอันครับครับครับยอมเสียอ่ายืนคือยอมเสียอย่างหนึง่งยอมเสียอ่า อ, ย, อยู่กับเพื่อนมันจะทำลายเราครับครับเขาบอกว่ามันเอถ่ถึงแม้ถึงแม้บุคคลผู้เป็นไม่ถูกกับเราคนนั้นจะเป็นอุปชาก็ตามคือบางทีไม่ใช่ไม่ถูกแต่ถ้าบอกท่านไปแล้วก็ท่านจะไปประจานนะครับไปประจานอย่างนี้ไม่ควรบอกอย่างท้ายก็ว่าที่สุดรรนั้นไม่ไม่รู้ ไม่รู้ว่าไม่คือแค่แบบไม่เอื้อเพื่อเราทำยังไงกันครับครับไม่เอื้อไม่เอื้อเพื่อเราด้วยครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ควรบอกคืออย่างน้อยที่สุต้องแสวงหาองค์อื่นต่อไปก่อนในวันนั้นต้องแสวงหาไปก่อนนะครับอ่าสมมติเราไม่ได้จริงๆเราจะกลับมาบอกอเพื่อไม่ให้ปกปิดอย่างนี้ก็ได้แต่ท่านบอกไม่ควรบอกคือไอ้คาว่าไม่ควรบอกในที่นี้คือควรแสวงหาที่อื่นอีกอย่าเห็นปุ๊กบอกปั๊บตอนนี้ไม่ดีหาไปก่อนหาไปอีก เดินเนไปเจอะอยบอกไม่ได้ว่าองนี้เดี๋ยวเอาเราไปประจานเพราะยังไงประจานุณแน่นี่อย่างนี้อย่าเพิ่งบอกหาไปก่อนวันนั้นแสวงหาหารือหรือพยายามก่อนพยายามก่อนในที่นี้นะครับอ้าวต่อไปอือบอกได้ครับแต่แตไม่ใช่อวบัตินั้นชื่อว่าบอกแล้วไม่กไปกติแต่เราต้องเอาวัตทุกดเพราะท่านบอกไม่ควรบอกตรงนี้ถ้าถ้างั้นก็จะ ก็สมมุติว่าต้องเราบอกใช่ไหมครับครับที่ประพฤติบัติอยู่ครับแต่ที่นี้ว่าเราก็ไม่ต้องอยู่ปฏิบัทไม่ไม่ต้องอยู่อาวัตนั้นชื่อว่าบอกแล้วแต่เราต้องอาวัตรทุกกฎแล้วอ๋อครับไหนครับไม่ใช่อาวัตรที่เหมือนกันไงเพราะเขาประพฤติสังฆนิเศตอยู่เราก็ไปบอกสังฆนิเศทกับเขาอย่างนี้ครับไม่ได้ ครับอามัตรครับคือผู้บำเพษษ็ญวัดอยู่แล้วกันว่างไงอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าละชีเป็นอละชีครับอย่างนี้นครับอย่างพวกเรานี่ยละชีกันบ่อยเลยละชีครับสมมติเราต้องอ บ, บัติตัวเดียวกันเลยเอาโคดโคดเดียวกันปาจิตีโคตเดียวกันหรือวัตถุเดียวกันนะครับอย่างนี้ แล้วเราก็มาแสดงอาบัตด้วยกันอ่าผม cai, ท่านอท่านแสดงกับผมผมแสดงกับท่านนะครับและท่านแสดงไอตัวที่มันเหมือนกันอีกอีกครั้งกับผมเห็นไหมครับมันสามครั้งเห็นไหมครับถามว่าอาบัตนั้นตกไหมตกล่วงไว้ครับแต่ชื่อว่าเป็นลัทธิยังไม่เป็นครับเออในนี้บอกว่าอย่างนั้นเลยเป็นลัทธิไหมไม่เป็นเพราะมันมันรู้อยู่รู้อยู่ว่าอาบัตเหมือนกันแล้วก็บอกกันนะครับไอตัวที่มันไม่เหมือนก็ตกไปก่อน ทีนี้ไอตัวที่เหมือนท่านก็บอกผมอีกครั้งหนึ่งพรผมหายหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยครับท่านก็บอกไอตัวที่มันเหมือนกับผมตัวก่อนท่านก็บอกกับผมอย่างนี้ก็เลยเป็นอรัชีไปคือเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ท่าวอวกันคุยกันเรื่องอวบันโอ๊ยไม่เป็นไรก็บอกแล้วก็เป็นอันบอกบอกอผมบอกท่านสองครั้งท่านก็เป็นอันหมดไว้กันเลยอาจารย์เลยนมานีก อ, อ, อรัชชีกัอรัชีอรัชียังไงครับอาจารย์ขึ้นไปทีทวาวกับทวาอรัชชียังไง พวกเราอาละศีทั้งนั้นนะฮะถ้าไม่คิดเสีก่อนแล้วก็ไม่ไม่ดีกันเสก่อนเออ้ายังแต่อยู่ทางโอมันน้อยนะครับมันเพราะเราไม่เคยได้ไม่ได้ประโมชั่นอื่นๆอะไรจะหายอะไรไม่เคยมีเราจะสินคาหมดได้ได้เยอะกว่าน่าทาเหมือนกันแล้วก็แล้วก็แสดงนี่ก็บอกว่าบางบางต้องบอกสครั้งมันจะหลุดครั้งที่หนึ่งนี่ตัวที่ไม่เหมือนกันสมมุติถ้าท่านแสดงกับผมใช่ไหมครับ อ่าท่านแสดงกับผมมาตัวไหนอ่ะเอาทุกกฎอ่าทุกกฎอ่าท่านแสดงกับผมมาผมก็รับแล้วผมก็แสดงของผมก็มีทุกกฎเหมือนกันือนเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงอย่างนี้แล้วก็เอท่านรู้อยู่ว่าผมมีทุกกฎท่านมาแสดงใช่ไหมครับท่านมาแสดงกับผมตอนนั้นชื่อว่าสภาขาบัตใช่ไหมครับท่านลองอาบัตทุกกฎตามสิทธิแสดงนะครับแต่ผมไม่ได้ต้องนี่ผมยังไม่ได้แสดงใช่ไหมครับผมรับเอาบัตรท่าน อย่างนี้ผมก็แสดงกับท่านท่านท่านหมดไปแล้วไอ้ทุกกฎตัวนั้นใช่ไหมครับไอ้ไ อ, อ้ตัวที่หนึ่งท่านหมดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ท่านยังมีทุกกดตัวที่สองซึ่งไม่เหมือนกับของผมนะทีนี้ใช่ปะผมก็แสดงทุกกฎของข้าของผมแสดงหมด้วผมไม่เหมือนโดยวัตถุนะครับผมก็แสดงกับท่านแสดงกับท่านไปถึงเหมือนนี่ก็ยังเป็นสภ า, าวะบัตรผมก็แสดงกับท่านไปท่านก็แสดงสภาคาบาัตรตัวที่หลังตัวที่สามไอ้ไม่ใช่ตัวครั้งท่านแสดงครั้งที่สองกับผมนะก็เป็นอันหมดไป เพราะนั้นทั้งหลังวองผมทั้งท่านทั้งสองคนชื่ออารัชีทั้งคู่เลยใช่ไหมครับฮะบอกเป็นตัวก็ได้ครับบอกเป็นชื่อก็ได้บอกเป็นตัวฮะที่ว่าท่านอาลีเนี่ยแสดงนี่เป็นอาวัตทุกฎเพราะแสดงแสดงอาวัตที่เป็นสภาฆ่ากันครับแล้วอาจารย์เป็นอะไรในตอนนี้ไหนครับที่รับแสดงผมรับแสดง ผมก็เป anyway, ็นอาวาตทุกบทท่านอารีก็เป็นอวัตทุกบทแต่ของตัวของท่านอารีมันหมดใช่ไหมมันหมดตอนนี้ท่านอารีไม่มีใช่ไหมฮะไอตัวเก่าไม่มีผมก็แสดงของผมออกไปไม่ใช่ตัวเดิมผมแสดงตัวเดิมแต่ตัวที่ผมเป็นด้วยใช่ไหมตัวที่ผมต้องมาตัวไม่ไม่ตรงกับตัวของท่านอารีไม่ตรงตัวไหนอ่าสมมุติอ่ะของทำอะไรกันอ่ะไปติตีดีกว่า เหมือนกันเอาเอาปาจิตีอาเอาปจิตีเอาเอาอวัตถุอะไรเดียวเอาวัตถุอะไรเดียวทำสัตว์ตายยกันเอาเอาสัตตายเอสัตายททำสัตตายยกันท่านอาีงผมก็รับท่านอาีก็คือรู้ผมก็ปาจิตีพระสัตตายท่านอารีก็สัตตายท่านอารีก็มีอวัตเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวทุกโกรผมก็มีอบัติเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวทุกกใช่ไมคัท่านอารีทุกกเพราะ ก็มาแสดงกับผมไงที่เป็นสภาขาบัตรใช่ไหมก็รับแสดงครับเป็นแต่มันเป็นผู้แสดงไม่เป็นผู้รับแต่ผมจําได้แน่ๆคือผู้แสดงแต่ผู้รับยังยังไม่ได้พูดครั้งแรกคืออาจารย์สงสัยตรงเนี้ยไม่ได้พูดตรงที่ว่ารับแสดงต้องอาบัตทุกคนด้วยครับอผมก็เลยตักว่าผู้รับแสดงนี่จะเป็นอาบัตทุกคนเอี่ผมจําได้เพราะว่าผมเคยได้ยินมาเหมือนกัน ว่ า, วามหาชลอพูดที่งานท่านะบอกว่าผู้รับแสดงก็เป็นตระกูลทุกดแต่คนลววะวัตถุคนนี้วัตถุคือแสดงคนนั้นวัตถุคือรั บ, รบตอนนี้มัน<ะ>ก็ไม่เป็นสภาบัคคาบากันแล้วครับเพราะคนลววะวัตถุเดี๋ยวผมนึกผมไม่แน่ ใ, ใจนะผู้แสดงไอ้ este, ผู้รับต้องครับตรองน ต, ต, ตอนนี้ได้ยินมหาชลบอกเป็นแต่คน<ม>ลววะวัตถุไม่เชื่อเป็นสภาครแต่แต่มันไม่ใช่วัตถุเดียวกันแล้ว แต่มันมีอีกสภาวะมันไม่ใช่เฉพาะวัตถุก็มีสภาวะอาบัติก็มีสภาวะวัตถุก็มีตัวอาจารย์แสดงกลับออกมาก็แสดงว่าแสดงทั้งปลายททั้งปลายจิตีทั้งทุกอดทกนั้นด้วยเพระรับอย่างนี้ใช่หมเพราะรับทำเพระรับก็เป็นอันบมดไปคนนี้ยังเหลือทุกอดพราะแสดงยินดังนั้นจึงแสดงอีกครั้งหนึ่ง